พริจาบทงในพระสูในพระพิธรรมในพระยังไงเกี่ยันถัดุละการศึกษาทางพุทธศาสนาไปรู้เรื่องรู้ราวดังที่พูดให้คุณนกฟังวันนี้การบวจมี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 ลูกชายเรามาจิขงขนมหมดโบทเทอไปทิ่ไหมเลยไปนมนตนมาบ้านไปนมนมาบ้านโกรธไม่พอใจที่ลูกขอทานอมบาทของวัสดุของพ่อแม่นึกว่าลูกขอทานกินไม่แต่พระเจ้าขอมันส่นก็คนทองขนเงินเรามาโกงให้รัฐบาลโดน กองของรัฐบาลนันมากสงเท่ากับของพ่อแม่เนี่ยโลกจะไปจิ้งขนมหมดหูนได้ไงเหมือนทองเราไม่หดได้อยากรัฐบาลก็ไม่ได้คิดอะไรก็เลยกล่าวคาถาขึ้นว่าโลกเนี่ยบกทร่องอยู่เป็นเน็ตไม่ลูกจับอิ่มเป็นาธาตุของความอยากะ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 เนี่เยเข้าไปอยู่โพหลงมหาวั <c oughs> ารรนเป็นการบวชเนี่ยเปนการตวนกระแสที่วการกำลังมาศึกษาในการกัุละวิปัสนาทลุลาพวกเรานี่ยวิปัสนาทุลาโม่ล้วนไม่ไเรียนหน้ากระดานสอนกั น, นเหมือนพระรูปเนี่หลานมลวงพ่อเนี่เรียนป ร, ริยัติกัณฑุละเรียนเขาเรียน นักทำทีโทเอกจบแล้วไปรเรียนไปรเรียนสอบได้ไปรเรียนสองไปรเรียนสามไปรเรียนสี่ปรเรียนห้าหกเจ็ดแปดเก้าโชคสัะสูตรเช่นอาจยมหาไหลไปรเรียนทำข้าวประโยคโค้งสูตในพุทธศาสนามีมัมนเป็ลบแต่ท่านก็มาปฏิบัติกระโพกเราปีสองพันห้ารอสี่สิบท่านก็เสอโซนการวิปัสสนาทุละ เด็ก ท, ท่านต้องไปเสียเวลาเรียนเป็นสิบสิ บ, ส บ, สบปีคันวิปัสนาทรุระเนี่ยมันยอดของการศึกษาเราม า, เอ า, าเอากายเอาใจเป็นตํารามาดูใช่ไว่ามันจะคืออะไรเรียนให้มันจบซะเนี่ยชีวิตเราให้มันจบซะมันเป็นยังไงให้โล่งแก่มีงงสตินะอย่างโลกทุกวันมันเต็มไปด้วยรสชาติสมมุติปันหยัดเช่นออกขอั้ช้าเนี่ยนะ มันเป็นเพียงสมมุติบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัติรย์องค์โ่สุดตัวเนี่เป็นปรมัติอยูโย่คงเส้นคงวาการออกกัญชาการบวชการไม่บวชเป็นสมมติบัญญัตินันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ททำไม่ได้แต่ว่าความไม่ทุกข์เป็นปรมัติ์ความทุกข์หรเป็นผลผลจากสมมุติปัญญัติความโลกควาโกรธคงหลงเป็นผลผลขอ ง, ของสมมติปัญญัต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 เห็นระวียด้วยพบเห็นระวียเห็นด้วยสัมผัสได้อ่ามันเป็นการสัมผัสมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีมากมีผลทำมาเนี่เกิดอันนี้ก็้นมามีศีลสี่เลยนะสุกขติยินติต้อมีศีลก็เป็นความสุขสุขเพราะการเรื่องปรุงสุขเพราะความสงบสงบจากการในสุขนตติสันติพลังสุขขันธ สุกอื่นยิ่งกว่าความสงบไปไหมไม่ใช่สุกเพราะอมิตรปีลูกนี่เนี่ยเท่เาเตเลหล่อนมันนันเป็นอมิตร อ, อ, อาศัยอมิตรเป็นสุกแต่สุกจากสตสมาธิจากสินสมาธิปัญญาไม่มีอมิตรเลยสินพาให้สุกสมาธิพาให้สุกปัญญาพาให้มีสุกไม่ให้เป็นอื่นพบมาพบผล มันนี่แล้วอันนี้มันเกิดขึ้นมาก็มั่นใจควมไม่โลคควมไม่โกรธควไม่หลงควา ม, มโลคความโกรธความหลงเป็นของสมบติควมไม่โลคไม่โกรธไม่หลงเป็นประมัตโยชัวย่วนาตาปีไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นพึ่งได้เป็นสูตรที่พึ่งตนเองการปฏิบัติเนี่ยพึ่งได้ไหมเราเห็นมันหมดเปลือกเห็นโรคเห็นนาม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 กเล่ากดอีกเยอะนั่นเลยทุกเล่าทกอีกเยอะนั่นแหละเล่าเล้เาเล่อีกครั้งเล่ทาทั้งอีกนั่นเลยของมันนั่นมันเล้วไหลไ่เลี้ยวไหมัน บ, บังคับขับใสเราไม่ให้เ็าไปทำต่อเราทำไมเราจะต้องเป็นทาสขี้ค่าของลักษณะนั้นอยู่นะเรามีสิทธิ์นะเรามีสิทธิ์ที่จะต้องไม่เป็นขี้ข่าของไมรเป็นอิสระผมเรียกชื่อาอาลียะอานียเจ้า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 มันลูกเรื่องเมื่อเรื่องลูกมันจะคลานมันจะตกวันใดจับชาติมาใหญ่เก็บบ้างแท้าวันดีกว่ามันตกลงไปหัวหน้าเัาดีกว่ามันขาหักแขนหักเก็บถอกเล่นนิหน่อยไม่เป็นไรใจมันอยากขนาดแต่ว่ามันก็ไม่มีโอกาสช่วยคนมาแล้าคนแต่ว่านี่พอเราอยู่เนี่ยนี่หลางคอ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 อันนี้จะไปพูดต่อไปคำนั้งมาเห็นพระหนุ่มพระน้อยพระโพธิ์เถานี่สถาบันสถาบันสติปัฏฐานสมชื่อนะพวกเราทำอะไรเป็นอย่าอืนทำทั้งขยะ ก, ก็ได้ล่างส่วมก็ได้ทงสารก็ได้ทําไฟก็ได้ทำอาหารการกินกั น, นได้หลวพ่อก็ได้ฉันโลตรี้วย โรตีาโรตีนี่เป็นของแขกนะฮะลูกทำเลยไม่ใครทอะาโรตีแต่ของแขกก็เนี่ยก็ดีนะอ่าเพาะนั่เนี่ยเรา่วยกันนะ่วยัำอ่าเพราะนี้ก็พวกเราเป็นกัญญาณมิตรกัญยาณมิตรที่มันช่อยคงเล็กน้อยนะพาถึงมากถึงผลนะถ้าสางนีภรรยาเนี่ยเป็นกัรยาณมิตรกันเพิ่ม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 ไปคบกับความรู้สึกตัวนะแต่ไปคบกับคนฟานมันจะหลอกคนลงความหลงมันเยอะมาหลายฉาติความรู้สึกตัวความมีสติเนี่ยต้นบัณฑิตนะในตัวเรานอกแกวบัณฑิตนอกตัวเรานื่งอยู่เนี่ยปัถนาดีต่อกันนะบัณฑิตในตัวสร้างความรู้สึกตัวสร้างความเมตตากรุณา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 จะไปยินด ok e ียินไล่มันฝก่นัดอยู่เฉยเฉยดีกว่าไม่ต้องยินดียินไล่โลปกติไงมันคองที่ดนะความดก็ไม่คองคามไม่ปวดคล่องแค่กว่าความทุกข์ไม่คล่องอะไรเลยความไม่ทุกข์คล่องแค่กว่าอ่ารจักไหมคนยวลาอัลเทียโรคภาษาลงตาไหมคนนีโลคแบบรู้จากไหมคมทุก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 แต่ทองแปงดีทองแปไม่ด <Ver metallic exhale> ีไ <Leben> ม <urs> ่เอานะพวกไหนมันยอดจริงจริงนะมันยึดมั่นมากถ้าแปงดีมันสั่น <double> ห <clock> ัวพลังดึงติดบ้างก็เล่าอะไรทคนพลังเลยติดไม่เอานะสั่นหัวเลย สวยนะวยนะาเรา อ, อคนสวยนะแสนะ <c oughs> ง, ง่คนสวยนะสวยนะวยนะวี่น <c> ต <oughs> าต่าต่าต่าต่าต่าต่าตา